มีคนมาจากหาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้รถตู้อยู่ตรงไหนนั่งมากันกี่คันนะสองขยันดีเนาะนั่งรถมาไกลก็ยังสบายกว่ายุกหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะยูคนันเราต้องนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟไป ไปต่อรถสองแถวไ่ต่ออะไรเงี้ยที่ก็เดินนี่มีบริการส่งถึงที่เลยสบายธรรมากว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องลงทุนลงแรงเป็นเพศที่มานั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ฟัง YouTube ฟัง4ีดีก็บรรลุเพ้อฝันถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเอาเวลาไปขี้เกียจเอาเวลาตามกิเลสไปเยอะๆตกเห็นตกค่ำเนี่ยมานั่งภาวนาสู้กิเลสสู้ไม่ไหวหรอกเพราะพลังฝึกปลืฝ่ไฟไม่ดีมันเยอะเว่าพลังฝึกปลืไไลฝ่ไฟดี เพราะงั้นถ้าเราอยากภาวนาจริงๆเนยอะไรที่ชั่วต้องละอะไรที่เป็นกุศลต้องเจริญไม่ใช่มากง่ายคิดว่าฟังๆไปแล้วก็บรรลุสี่ห้าก็ไม่ถืออะไรเลยก็ไม่ยึดถือไม่มีทางหรอกพะวันหนึ่งสะสมกิเลสตั้งเท่าไหร่มาภาวนาลดละกิเลส กิเลนดั้งเดิมเราก็มีอยู่แต่และ ว, วันเราก็สะสมเพิ่มแล้วมาภาวนานิดๆหน่อยๆกิเลสของวันนี้มานั่งภาวนาวันนี้มันยางล้างไม่หมดเลยไม่ต้องไปคิดถึงกิเลสเก่าที่สะสมมาเป็นอนุสัยนีงันอยากจะสู้กิเลสให้ได้จริงๆต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะละบาปอากุศลทั้งปวง สำรวจตัวเองไปอกุศลอะไรมีอยู่ก็ละเสียนะอย่าเราอ่อนแอแพ้กิเลสมันเป็นทุกคนแหละมนจะต้องอ่อนแอแพ้กิเลสถ้าไม่แพ้กิเลสไม่มันเกิดหรอกแต่เราก็คงไม่ต้องแพ้ตลอดกาลนะเคยแพ้กิเลสมาแล้วต่อไปก็เอาชนะมันบ้างเลินบาปอากุศลทั้งหลายนะสำรวจตัวเองก็ต้องละเสียนะ กุศลทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรพวกนี้อันไหนยังยอดหย่อนก็เพิ่มขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาท่านถึงบอกว่าให้ละบาปกาุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบสว่างสวัยก็ต้องฝึกจิตฝึกใจไปก่อนจะมาถึงขั้นที่จิตใจ ข่าวรอบสว่างสวัยปลอดจากกิเลสก็ต้องละกิเลสเจริญกุศลให้มากๆากยถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตนะสะสมโมหะพอไปอ่านเรื่องการเมืองก็สะสมโทสะไปดูอะไรเพลิดเพลินเพลินก็สะสมราคาะเมื่อวันหนึ่งสะสมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆายชั่วโมง กลางคืนไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งทำอะไรใจที่มันเก็บกิเลสไว้แล้วมันจะผุดผูดขึ้นมาสัญญาความจำกลางวันไปสัมผัสอะไรมาตกค้ำมานั่งภาวนาสัญญาเก่าๆก็ผุดขึ้นมากวนเราอีกกว่าจะสู้ได้กว่าจะสงบหมดแรงแล้วในเวลานอนก็ วันนี้ถ้าล้างกิเลสของวันนี้ได้หมดนะแล้วนอนก็เรียกว่าเสมอเสมอตัวเท่าทุนถ้าเราสะสมกิเลสน้อยๆในแต่ละวันนะเจริญกุศลเยอะๆมันค่อยๆล้างกิเลสเก่านะล้างเพราะอนุสัยล้างอะไรไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากําไรเราทําธุรกิจแนละ้วเราคิดเรื่องกําไรขัดทุนนะเวลาปฏิบัตินะสังเกตไปแนละ้ว บางคนยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งแย่ลงแย่ลงเพราะปฏิบัติแล้วขัดทุนวันวันหนึ่งตามกิเลสไปเยอะมากเลยหลวงพ่อพูดหลายทีแล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนในการเรียนรู้ตัวเองอดทนในการฝึกขัดเกลารตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนนี่หลวงพ่ออ่านใจตัวเองแล้วตื่นนอนมาปุ๊บ รู้เลยขนาดแรกๆเนี่ยใจเฉยๆยังไม่ยินดียินไล้ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเฉยๆขึ้นมาจับระวังเพราะความคิดเกิดคราวนี้เพราะความคิดเกิดนะสิ่งที่ตามหลังความคิดมาคือกุศลหรืออกุศลคิดเรื่องนี้กุศลเกิดคิดเรื่องนี้อกุศลเกิดคิดเรื่องนี้เฉยๆแต่ตรงที่คิดแล้วเฉยๆนะ ส่วนใหญ่โมหะเกิดเพราะคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดนยแค่นี้ก็โมหะเอาไปกินแล้วพวกเรารู้ไหมคิดแล้วรู้ว่าคิดไหมได้บ่อยไหมเราวัดตัองดูโมหะเอาไปกินซะเยอะมากเลยวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อฝึกนะท่านได้ตื่นนอนเนี่ยใจมันขึ้นจากผวังมาแล้วก็เห็นใจมันเริ่มคิดเช่นมันคิดว่าโอ้วันนี้วันศุกร์ หรือวันนี้วันเสาร์อะไรอย่างนี้นะใจเบิกบานแล้วพอความรู้สึกตัวชัดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันจันทร์แล้วนะไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วใจที่กําลังเบิกบานมีความสุขนะหุบทันทีเลยนเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะเห็นรีบตะลีตาลานไปอาบน้ํำถ้าหน้าหนาวอย่างเนี้ยคนโบราณถ้าไม่ต้มน้ําอาบนะอาบน้ําในตุ่เนี้อ หน้าหนาวน่ากลัวที่สุดเลยใครเคยอาบน้ำในตุ่มดินบ้างมีไหมยุคนี้มีแต่ถังพลาสติกขาดรสชาติของชีวิตนะขาดความมันไปถ้าหน้าหนาวอย่างคนรุ่นโบราณนะยังเราจะไปทาํางานมาต้น้าร้อนอาบเนะ่ยไม่ได้กินหรอกต้องฝืนใจอาบอาบเห็นตุ่มน้ำแนะ่ใจสยองรู้ว่าสยองตักขึ้นมานะ ล้างขาก่อนดีกว่าใจยังไม่กล้าพอนะรูบๆๆๆหนึ่งค่อยๆได้โอกาสนะลาดโครมลงไปหัวชาเลยทีเนะนี่ยทีแรกกลัวมากพออาบไปอาบไปนะร่างกายมันเริ่มปรับตัวมเริ่มชินนะพอใกล้ๆจะเลิกอาบใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยเริ่มมีความสุขะเริ่มสบายใจละใกล้จะเสร็จละพอเช็ดตัวเสร็จเนี่ยตัวจะอุ่น ตัวจะอบอุ่นรู้สึกมีความสุขไหมจากสยดสยองนะาอาบน้ําเสร็จกนละายเป็นมีความสุขขึ้นมาละเวลาอาบน้ําเสร็จตัวอุ่นๆหน้าหนาวสบายเนี้ยดูใจนะดูใจไปเรื่อยแล้วก็แต่งแลแต่งตัวอะไรไปก็รู้สึกตัวไปแล้วขึ้นรถเมย์ไปทํางานรอรถเมล์รถเมย์ไม่ค่อยจะมานานๆจะมีสักที ยุคนี้รถไฟอะไรเยอะแยะแล้วใช่ไหมรถไฟฟ้ารถอะไรถ้ามีตังค์ก็สบายแหละถ้าไม่มีเงินคงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันแพงสมัยโบราณมีแต่รถเมล์ขึ้นรถเมล์รอไปเถอะเพื่อนร่วมทางเนะีเยอะแยะไปหมดเลยรถไม่ค่อยมารถมาบางทีก็ขึ้นไม่ได้เราก็กระวนก็ะวายใจรู้ว่ากระวนกระวาย ให้ฝึกตัวเองไปรู้ทันพอเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจมันไม่จอดที่มันว่างเพราะมันไม่ค่อยจอดถ้ามันจอดมันก็ไม่ว่างไม่รู้จะวิ่งไปไหนไม่รู้จะเอารอบได้รอบเทักนั้นเท่านี้รอบบางทีเราเห็นรถไม่จอดโทรซา ข, ขึ้นแล้วอยู่ที่ป้ายรถเมยนะ์เลก็ดูจิตอยู่ที่เห็นผู้หญิงสวยๆมาเยี่ยงใกล้ๆเรานะ ก็มองรถบ้างมองเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะใจมันชอบชอบรู้ว่าชอบแต่ไม่ผิดศีลนะไม่ได้ร่วงเกินเขาทางกายทางวาจาแต่ทางใจก็มีบ้างมันห้ามไม่ได้นะี่ใจมันชอบนะรู้สึกโอ้สวยจังเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูปาปาไปพอขึ้นรถเมล์ได้ก็ดีใจะโหนไปนานๆเมื่อยได้นั่งก็ดีใจ นั่งไปแป๊บเดียวนะผูห้หญิงท้องขึ้นมาหรือพระขึ้นมาผูห้หญิงท้องขึ้นมาเรเต็มใจนะพระขึ้นมาเนี่ยโอ้ทํทำไมไม่มาใสา่สายชอามาแย่งกระโยมเดี๋ยวนี้เลยกลัวบาปสนองลกลัวกรรมสนองนะไม่กล้าไปแย่งเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้ า, าดูนะดูใจตัวเองไปตั้งแต่ตื่นจนหลับหนะลภงพ่อฝึกอย่างนี้นะ เ้นถามว่าหลวงพ่อปฏิบัติมาละกี่ชั่วโมงนับไม่ถูกหรอกอยาเว้นเวลาที่ทำงานทำงานที่ต้องใช้ความคิดนอกนั้นเนี่ยจะคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่ล้าเลยทำไมมันขยันอ่า น, านมันสนุกเรารู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเรียนความรู้ทางโลกก็มากมายแจิตใจของเราเองเราไม่รู้จัก มึงก็เลยหันมาสนใจมาเรียนรู้จิตใจตัวเองน่ะสนุกมากเลยเราก็ยังเริ่มเห็นความจริงไปทีละส่วนทีละส่วนนะทีแรกเราเห็นสภาวะเห็นความสุขความทุกข์เห็นโลภโกรดหลงอะไรผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานี่เราเห็นสภาวะต่อไปเราก็รู้ได้ลึกซึ้งขึ้นอีกสภาวะแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยพอใจเราไปรู้แล้ว มันมักจะยินดียินร้ายมันไม่เป็นกลางจริงนะยกเว้นสภาวะซึ่งอ่อนๆเบาๆไม่มีน้ำหนักในใจใจก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นสภาวะที่มันมีน้ำหนักขึ้นในใจนะใจเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาเกิดโลบโกรดลงอะไรขึ้นมาเงี้ยมันมีน้ำหนักขึ้นมานะถ้ามันเฉยๆไม่มีน้ำหนัก พอเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลง อ, อ, อะไรขึ้นมาใจมันมีน้ำหนักขึ้นมามันจะยินดียินร้ายขึ้นมาตามมาอีกนะอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นเรายินดีพอใจในความสุขนี่ถ้าเราหัดภาวนาใหม่ๆเรามีความสุขก็ไม่รู้นิย่ที่สุดต่อมาเราฝึกเก่งขึ้นมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแต่ว่ายินดีพอใจเพลดิดเพลินในความสุขตัวนี้ไม่เห็น จะเห็นแค่ว่ามีความสุขพอเราพอนายเก่งขึ้นนะพอมีความสุขแล้วเรายินดีพอใจ เ, เกิดชอบขึ้นมารู้ทันว่าชอบรู้ทันความยินดีเวลามีความทุกข์ขึ้นมาหัดใหม่ๆนะล้วคนยังไม่เคยหัดนะมีความทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเราหัดใหม่ๆมีความทุกข์ขึ้นมา ร, ารู้ว่าใจมีความทุกขนะ์ พอหัดชำนาญขึ้นมาเราจะเห็นเพราะความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบมันมียินดีมันมียินร้ายเนี่ยเรารู้ทันลงไปเรารู้ทันความยินดียินร้ายได้ไมพมียินดีเรียนยินร้ายมันจะดับเราก็จะรู้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วด้วยจิตที่เป็นกลางนี่เราจะรู้ไปี่เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ จะเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆนะทีแรกเราก็เห็นความ ส, สุขเกิดความสุขดับความทุกข์เกิดความทุกข์ดับความเฉยๆยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับดีชั่วอะไรก็ดับหมดเลยฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับฉีดโหดหูเกิดแล้วก็ดับมันเห็นความจริงนะ เห็นว่าเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดเนี่ยมันได้ดับทั้งสิ้นพอเห็นนานๆเข้าเนี่ยต่อไปปัญญารวบยอดมันเกิดตรงที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาที่เห็นว่าโอบเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับนะสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับมันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นแต่มันเห็นรวบยอดเลยทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นจะเห็นภาพรวมมันเป็นการสรุป เนการประมวลผลของจิตนะปิ้งขึ้นมาเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทําไมใช้คาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดสิ่งนั้ น, น something นก็คือ e v e r y t h i n ที่เกิดนั่นแหละแล้วทั้งหมดนั้นละดับเ น, ะนะี่ยจะเห็นอย่างนี้เวลาที่ใจเข้าใจธรรมะนะยังไม่ใช่เห็นทีละอันโอบเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยย่งจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น เนี่ยใจเห็นอย่างนี้ในพระไตรปิฎกมีเยอะเลยเรื่องนี้ที่จพูดบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทญาธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรมมันติสิ่งใดสึ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเนี่ยเปนได้พระโสดาบันจะเห็นอย่างนี้ทุกอย่างที่เกิดนันจะดับเมื่อทุกสิ่งเกิดแล้ดับเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอมาตะ กายนี้ไม่ใช่ของอมตะความสุขทุกข์ไม่ใช่อมตะความดีความชั่วไม่ใช่อมตะจิตเองก็ไม่ใช่ออมตะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถานมรรคนะงั้นพอเรารู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหนึง่งมันก็จะละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆ นะมีตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็น ต, ตนถาวรเลยนะมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างเนี้ยนะใจก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาหมอห้ามห้ามกระแอมวันนี้หมอออกมาครับไม่มา <c oughs> <C oughs> แหมมันผิดธรรมชาตินะห้ามแกแอมเลย <c oughs> ขำนักเหรอขำ <c oughs> <c oughs> เรารู้ไหมเห็นไหมความรู้สึกขำเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่หัดดูอย่าละเลยอ ย, อย่าละเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเดี๋ยววันหนึ่งใจมันพอนะ ความรู้มันพอมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาทุกอย่างเกิดแล้วดับว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจะได้พระโสดาปันนะจะได้เป็นพระโสดาบันอี่าดูถูกการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติ การทำในรูปแบบมันเหมือนการฝึกซ้อมเหมือนซ้อมมวยซ้อมมวยให้เก่งยังไงก็ไม่เป็นแชมป์โลกมันต้องชกมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกงั้นอย่างเราทาในรูปแบบนี่ยัคือการฝึกซ้อมจิตใจให้คล่องแคล่วอะให้สติให้สมาธิให้ชำนาญสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติคอยรู้ในขณะที่รู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นคนดูความเข้าใจคือตัวปัญญาจะเกิด งั้นเวลาเราทําในรูปแบบนั้นเป็นการซ้อมเหมือนซ้อมมวยนะซ้อมเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางเป็นแชมป์หรอกมันต้องชกจริงชกจริงก็คือมาอยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันถ้ารู้ได้ละเอียดลึกซึ้งก็จะเห็นว่า เกิดยินดีเกิดยินร้ายให้รู้ทันเข้าไปอีกนะมีความสุขก็ยินดีมีความทุกข์ก็ยินร้ายอะไรนะเนี้ยให้รู้อย่างนี้ไปฟฝ้รู้ฟฝ้ดูไปยิ่ได้ยินเสียงะระขังเนะี้ยบางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ยินดีจะได้เวลากินข้าวลวนะเมื่อก่อนเรียนจิตวิญานะบอกเได้ยินเสียงะระขังแล้วน้ําลายไหลเครเคยเรียนอยันนี้ยตัวอะไรหมา ใครได้ยินเสียงละรังแล้วน้ำลหลไหลบ้างมีไหมไม่มีเลยไม่ยอมไหลไปกินข้าว ย, ยังไม่ถึงเวลาเมื่อละครังหวดยกมันไม่ยากหรอกนะการปฏิบัตินะ่ะ อ่านใจตัวเองถ้าแตตื่นจนหลับแล้วแหละช่วยตัวเองให้เยอะๆครูบาอาจารย์ช่วยเราไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์บอกได้แค่วิธีนะแล้วเราก็ต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองเราไม่ทําก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าเขช่วยไม่ได้ต้องฝึกเราอยู่เฉยๆก็พยายามรู้สึกตัวอย่าหลงหลงเป็นโมหะ ค่อยๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปของโยมผู้หญิงเนี้ยในนี้หลงนะเมื่อกี้เนี้ยจิตมันเคลื่อนเราไปดูเคลื่อนเราไปสังเกตเคลื่อนเราไปคิดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนนี่คือหลงมีโมหะจิตฟุ้งซ่านดูให้ดีนะ ราคะโทสะโมหะโมหะเกิดบ่อยเกิดปที่สุดจิตหลงจิตฟุ้งซ่านเกิดทั้งบ้นพอหลงไปก่อนแล้วถึงจะเกิดราคะหลงไปก่อนแล้วถึงจะเกิดโทสะถ้าไม่หลงราคะโทสะไม่เกิดหลงอะไรแล้วราคะเกิดดูออกไหมเมื่อกี้พูดไปรอบหนึ่งแล้วตอนเริ่มต้น เลงไปคิดเรื่องนี้ราคาก็เกิดลงไปคิดเรื่องนี้โทสะก็เกิดหลงไปดูตรงขณะที่ดูเนี้ยราคายังไม่เกิดนะพอดูรูปแล้วก็จิตมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะใจมันก็คิดจิตมันก็ชิดขึ้นมาอนี่รูปผู้หญิงนะ่าสวยอะไรอย่างงี้ยนะราคาก็เกิดอนี่รูปศัตรูเราเนียอย่างเงี้โทสะเกิด งั้นตอนที่ตามองเห็นตอนที่หูได้ยินตอนที่จมูกได้กลิ่นตอนลิ้นกระทบรสนะตอนที่กายกระทบสัมผัสเนี่ยกิเลสยังไม่เกิดนะกิเลสมาเกิดตรงที่ใจมันทำงานนะงั้นเราไปสังเกตดูส่วนใหญ่กิเลสมจะเกิดตามหลังความคิดมามันหลงไปคิดที่แรกหลงไปดูตรงที่หลงไปดูนะใจก็เฉยเฉย ยังไม่มีราค่าโทสะอะไรมันมีแต่โมหะคือมันหลงแต่พอมันหลงไปดูแล้วมันส่งสัญญาณขึ้นมาที่ใจเราะใจเรา่าคิดคราวนี้ก็เกิดราค่าโทสะได้หรือโมหะที่แรงกว่าเก่าอีกค่อยๆสังเกตรกระบวนการสังเกตกลไก่การทํางานของจิตใจในสุ่ดเรา่าเข้าใจเข้าใจว่าอะไร ใช่ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันมีกระบวนการทำงานของมันมันทำงานของมันได้เองงั้นที่เราดูจิตดูใจเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นไม่ใช่ฝึกดูจิตดูใจเพื่อจะไปบังคับมันให้ได้แต่ดูจิตดูใจเพื่อวันหนึ่งจะปิ๊งขึ้นมาเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเรางั้นเราค่อยๆเรียนรู้จิตตัวเองไปจิตมีราคะก็รู้ มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้สุขก็รู้ทุกก็รู้นะค่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุข ก, ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามอย่าไปชั่วก็ไม่ได้มันจะชั่วห้ามมันไม่ได้จิตจะหลงนจะห้ามได้ไ้ยห้ามไม่ได้ เรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ใช่เรียนเพื่อจะไปควบคุมจิตให้ได้เราไม่มีหน้าที่ควบคุมจิตเรามีหน้าที่มีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วสตินั่นแหละจะเป็นผู้คุ้มครองรักษาจิตไม่ใช่เราทําได้ดังนั้นเรียนให้มันแจ่มแจ้งนะดูจิตดูใจมันทำงานไปวันนี้หลวงพ่อพูดเสียงดังขึ้นนิดนึงรู้สึกไหม ไปอ่านตำดาเขาบอกว่าอย่าพูดอยู่ในคออย่าพูดอยู่ในลคอให้เสียงมันออกมาอีกอีกบรรทัดหนึ่งอย่าพูดเสียงดังกูจะทำยังไงวะครบกับหมอนี่นะอู้ยากลำบากหมอสั่งง่ายนะแต่เราทำยากตอนนี้ที่วัดเนี่ย <c oughs> มันไปผ่าขามา แล้วก็ทําทำขาหนี้ๆอย่างเงี้ยหมอก็บอกให้ขยับขาเยอะๆขารีบแล้วนะแล้วอีกแป๊บหนึ่งหมอก็สั่งอย่าเคลื่อนไหวมากนะ <c oughs> เดี๋ยวกระดูกไม่ติดเอาอย่างไรจะให้กระดูกติดหรือกลัวขารีบอะไรเงี้ยนะคนไข้ปวดหัวมากเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงให้ถูกนะหมอก็สั่งตามทฤษฎีเนาะเพื่อคนไข้ทำได้บ้าง ใช่เปล่าหมอคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์หรอกเนาะเพราะหมอยังไม่ทำอย่างนั้นเลยหมอยังไม่ได้ทำอย่างที่หมอสั่งคนไข้เลยเอ้าไปกินข้าวไปนี่หมดนะครับ